อาจเป็นเพราะสติจดจ้องอยู่ว่าจะเกิดราคาอีกเมื่อใดหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินผ่านหน้าเห็นสลัวรางในเงามืดที่แสงนีออนอ่อนๆของรีสอร์ทสาดจับดูเป็นคู่ที่สมกันดีผู้หญิงเออร์ชอนอ่อนแอซวดทรงเหมือนนางแบบคัาตัวแพงส่วนผู้ชายก็กำยำล่ำสันดีแม้จะลงพุงไปหน่อย